วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจากวินาทีไปเป็นนาทีจากนาทีไปเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็ไปเป็นวันจากวันก็ไปเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์ก็ไปเป็นเดือนจากเดือนก็ไปเป็นปีร่างกายของเรา ก็เปลี่ยนไปตามเวลามันก็จะมีอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้อายุเท่านี้ปีหน้าก็บวกอีกหนึ่งปีบวกไปเรื่อยๆร่างกายก็จะไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปสู่ความตายต่อไป อันนี้เป็นความจริงที่พวกเราไม่ค่อยชอบจะคิดกันเพราะว่าเราไม่ชอบความจริงที่จะตามมาคือความแก่ความเจ็บความตายการที่เราไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะเรารู้ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเอง ชีวิตของเรานีความสุขของพวกเราทุกวันนี้อยู่ที่การมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงที่จะพาเราไปทำอะไรต่างๆได้เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆถ้าร่างกายเป็นอะไรขึ้นมา เราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้เราจึงพยายามลืมความแก่ความเจ็บความตายกันเพราเราพอเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเรากำลังจะต้องไปติดคุกเรากำลังนับวันถอยหลัง วันที่เราจะต้องเข้าไปติดคุกติดตารางเพราะเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายนี่ก็เหมือนกับไปติดคุกติดตารางเพราะเราจะไม่สามารถอาศัยร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราจึง ไม่อยากที่จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอคิดแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราไม่มีชีวิตชีวาเราจึงลืมความแก่ความเจ็บความตายกันเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่กันไป แบบนี้ไปเรื่อยๆพอเจอความแก่ความเจ็บก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายใจความจริงความแก่ความเจ็บนี้มันเป็นเรื่องของร่างกาย มันไม่ได้เป็นเรื่องของใจแต่ใจไปวุ่นวายกับมันเพราะว่าใจต้องการมีร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บเพราะจะได้ใช้ร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บนี้ไปหาความสุขต่างๆพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บขึ้นมาก็จะไม่สามารถ หาความสุขจากร่างกายได้ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่มีการเตรียมการรับกับเหตุการณ์ตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในเรือแล้วเรือล่มเราเอาศัยเรือ เรือสำาราญสมัยนี้เป็นเหมือนโรงแรมล อ, อยอยู่ในทะเลใช่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องบรรเทิงอะไรต่างๆกันเต็มคบยี่สี่ชั่วโมงมเรือก็ล่องไปเรื่อยๆถ้าตาดใดเรือไม่ล่มก็สามารถที่จะหาความสุขกันบนเรือนั้นได้ เราบเรือนี้เป็นทั้งโรงแรงเป็นทั้งโรงละครเป็นทั้งบ่อนคาสิโนเป็นทั้งสถานแต่งบันเทิงต่างๆอาหารต่างๆชนิดต่างๆศูนย์การค้าอยากจะซื้อข้าวซื้อของชออง้ชอปปิง้งช้อปปิ้งอะไรไม่ต้องไปไหนอยู่บนเรือลำนั้นและยังมีโอกาสเวลาเรือไปจอดตามท่าก็ได้ ลงจากเรือไปเที่ยวต า, ามสถานที่ต่างๆได้แตนะ่ร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนเรือที่ใจเราเอาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เรือก็เหมือนกันถ้าเรือสำรานมันล่มถ้าไม่มีเรือชูชีพไม่มีเครื่องชูชีพคนที่อยู่ในเรือก็ต้องจมน้ำตายกันกลางทะเลแต่เรือเขาก็มีเตรียมการเอาไว้เขาก็มีชูชีพมีเรือถ้าเกิดในเหตุการณ์ที่จะทำให้เรือล่มก็ยังสามารถลงเรือ ชูชีพได้ร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนเรือแต่เรายังเป็นเรือที่ไม่มีชูชีพไม่มีเรือที่จ ะ, ะมารับช่วงจากต่อจากร่างกายเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะเหมือนคนลอยคออยู่ในกลางทะเลเวลาไม่สามารถใช้ร่างกาย พาเราไปหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเราเตรียมชูชีพเตรียมเรือชูชีพเรือที่จะมารับช่วงเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้สิ่งที่จะมาลองรับ ความสุขของเราเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็คือธรรมะนี่เองถ้าเรารู้จักสร้างธรรมะขึ้นมาเราก็จะมีธรรมะเป็นแหล่งที่จะให้ความสุขกับเราต่อไปได้และก็เป็นแหล่งของความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเร า, เารีบมาสร้างแหล่งของความสุข น, นี้กันรีบมาสร้างธรรมกันสร้างธรรมะกันเพราะธรรมะจะเป็นเหมือนชูชีพที่เวลาเรือคือร่างกายของเราล่มสลายเวลาที่เราไม่สามารถ อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็ยังมีธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ให้ความสุขกับเราได้แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกายอีกด้วยอันนี้พระุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามระลึกถึง ความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆเราลึกถึงการพัดพากจากความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ว่าต่อไปเราจะไม่สามารถหาได้ mm hmm. เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย <c oughs> เราจึงควรที่จะ <c oughs> รีบมาสร้างธรรมะกัน รีบมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดธรรมะขึ้นมาภายในใจพอเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเราก็จะมีธรรมะเป็นแหล่งให้ความสุขกับเราต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายหมดสมรรถภาพ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เราก็ยังมีธรรมะเป็นที่หาความสุขให้กับเราต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่คิดกันไม่ยอมคิดกัน ไม่ยองคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเหมือนคนลงเรือไม่คิดถึงว่าเรืออาจจะล่มได้เรือนี้ยังดีบางทีล่มบางทีไม่ล่มแต่ร่างกายนี้มันต้องล่มแน่ๆเราไปลงเรือที่จะต้องล่มแล้วเราไม่เตรียมชีชีพไว้เลยแล้วเวลาเรือมันล่มแล้วเราจะทํำยังไง เราก็ต้องจมน้ำตายหรือลอยคออยู่กลางทะเลอร่างกายของเราเนี้ยมันเป็นเหมือนเรือที่เราอาศัยอยู่ต่อไปมันจะล่มมันจะล่มแน่ๆเราเตรียมหาชูชีพกันหรือยังพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพัดพา จากความสุขต่างๆที่เราค้ากันอยู่ในขณะนี้ที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่สามารถมีความสุขต่างๆได้ให้เรารีบมาสร้างชูชิพให้เรามาสร้างธรรมะกันเพื่อจะได้มีธรรมะเป็น ที่ให้ความสุขกับเราต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขให้กับเราได้เราจึงต้องหมั่นระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายหมั่นระลึกถึงการพัดพาคจากสิ่งต่างๆไปบ่อยๆไม่ให้ลืมเพื่อเราจะได้ มีอะไรมากระตุ้นให้เราไปเตรียมตัวหาชูชีพมาลงเรือที่จะล่มแต่ไม่มีชีชีพลงเรือไปก็ตายเท่านั้นทุกเท่านั้นร่างกายนี้มันเป็นเรือที่จะต้องล่มร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ เตรียมหาชีวิตเตรียมหาที่พึ่งอันใหม่ที่เราสามารถหาได้ในตอนนี้อย่าไปรอตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราตายเพราะมันจะสายเกินไปจะไม่ทันการต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เรายังมีกําลังวังชาอนี่คือทรรมที่จะกระตุ้น ให้พวกเราหาที่พึ่งทางใจกันหาที่พึ่งที่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ถ้าเรามีธรรมอยู่ในใจเราจะมีความสุขเราจะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถ ความสุขให้กับเราได้เราก็จะใช้ทำที่เราปฏิบัติที่เราสร้างกันขึ้นมานี่เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราได้ต่อไปออดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะลืมความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะลืมมันก็จะทำให้เราไม่ขวนขวายไม่กระตือรือร้น ที่จะสร้างที่พึ่งอันใหม่กัน เ, ออเราคิดว่าเราจะอยู่กันไปแบบนี้ไปเรื่อยเวลาที่เราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ใจมันจะคิดมันจะคิดว่าร่างกายจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะว่าเวลามันแก่มันช้ามากมันช้ายิ่งกว่าเต่าคานเออต่าคานนี่ยังจะเร็วกว่า เ, ออเราเห็น แต่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกวันที่เรามองหน้าเราที่กระจกนี้เราคิดว่าเหมือนเดิมมองทุกทีก็เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เมันเหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราลองเอารูปถ่ายที่เราถ่ายเมื่อสิปีมาเปรียบเทียบกับรูปของเราวันนี้ดูหน้าตาของเราวันนี้ กับหน้าตาของเราเมื่อสิบปีที่แล้วจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นคนละคนเลยคนหนึ่งสาวคนหนึ่งหนุ่มอีกคนหนึ่งแกอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะหลอกเราหลอกให้เราหลงระเริงอยู่กับการใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆเพราะมันจะ ทำให้เราเไม่คิดว่าเราจะแก่กันไม่คิดว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่คิดว่าเราจะต้องตายกันพอเราไม่คิดเราคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปทุกวันเมื่อวานนี้ก็เป็นเหมือนวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้เราก็เลยอยู่แบบเดิมๆ เ, เคยอยู่แบบใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราทุกวันตื่นขึ้นมาเราก็เตรียมตัวออกนอกบ้านไปหาความสุขต่างๆไปหาข้าว ข, ของเงินทองไปหาอะไรเราทำอย่างนี้ไปเกือบแทบทุกวันเพราะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันช้ามากมันเลยทำให้เรา คิดไปว่าร่างกายนี้จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสามารถห า, หาความสุขผ่านทางร่างกายไปได้เรื่อยๆเลยไม่เห็นมีความจำเป็นว่าทำไมจะต้องไปหาธรรมะกันไปหาที่พึ่งทางอื่นทำไมในเมื่อเรามีที่พึ่งอันนี้อยู่แล้วที่ที่ดีที่สมบูรณ์ที่แข็งแรง นี่คือความประมาททำให้เร า, เาชะล่าใจทำให้เราไม่มีความคิดว่าต่อไปอไม่แน่นอนไม่ช้าก็เร็ว อ, อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ได้อ า, อาจจะเจ็บก่อนแก่ก็ได้อ า, อาจจะตายก่อนแก่ก็ได้มีคน ตายได้ทุกอายุไขคนตายนี่มีตั้งแต่หนึ่งวันตายก็มีสองวันตายก็มีหนึ่งอาทิตย์ตายก็มีหนึ่งเดือนตายก็มีหนึ่งปีตายก็มีสิปีตายอายุสิบปีก็มีอายุยี่สิบสามสิบมีทุกวัยที่ตายกันแล้วคนเหล่านี้เขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะตายในวัยเหล่านั้นเลย แล้วพอเวลาเขาเจ็บเวลาที่เขาจะตายนี่เขาจะทุกข์ทรมานมาก <c oughs> นีสาเหตุก็เพราะว่าไม่มีใครสอนให้เขาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายนี้มันจะต้องเข้าสู่ความแก่ <c oughs> เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> เข้าสู่ความตาย ว่าเราจะต้องมีการพัดพลาดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นีเ้เราจากกันตั้งแต่จากทั้งเป็นจากจากตอนเป็นก็มีจากกันตอนตายก็มีแต่แน่นอนก็คือไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการจากกัน เ, เวลาเราจากสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา เ, เราก็จะทุกข์กันมาก ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเพราะเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมสร้างที่พึ่งสำรองเราพึ่งร่างกายของเราเราพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งสิ่ง น, นั้นพึ่งสิ่ง น, นี้พอเวลาที่เราพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะไม่มีอะไรมาเป็นที่พึ่ง เราก็จะทุกข์เราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเร า, เ, าเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะไม่สามารถอาศัยร่างกายนี้เป็นที่พึ่งได้เราจะไม่สามารถอาศายัาา ย, าาาาศายคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับเราได้ เราควรที่จะรีบหาที่พึ่งที่เราสามารถพึ่งได้ไม่ดีกว่าที่พึ่งทางธรรมนี้เป็นที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทางปวงเพราะเป็นที่พึ่งที่แน่นอนที่ไม่มีวันจากเราไปถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะสามารถรักษาธรรมะนี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอด เพราะธรรมะนี้อยู่ในใจอยู่ในตัวเรานี้เองแ่ร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเราเราคือใจ เ, อเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาเกาะร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเพราะฉะนั้นร่างกายนี้มีโอกาสที่จะจากเราไปได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเรา มันไม่ได้อยู่ในใจของเราไม่เหมือนกับธรรมะที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยธรรมะนี้จะอยู่ในใจของเราจะไม่มีวันจากเราไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีธรรมะเราจะมีที่พึ่งเราจะมีความสุขอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งอันวิเศษกว่าที่พึ่งเรามีอยู่กันขณะ น, นี้ที่พึ่งที่เรามีกันอยู่ขณะนี้ก็คือร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาให้ความสุขกับเราก็คือลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลีนลดต่างๆถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะสามารถใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขต่างๆจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลีนลดผลพัฒนได้แต่มันเป็นที่เพิ่งชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรา มันเป็นอนิจจังออนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเกิดได้มีการดับได้มีการเจริญได้มีการเสรื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงจากดีไปเป็นไม่ดีได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้อง ว่นวายกันอยู่เรื่อยๆเพราะพอสิ่งที่เราได้มาให้ความสุขกับเราชั่วคราวพอมันหมดไปหรือเปลี่ยนไปมันก็ต้องทำให้เราต้องหามาใหม่ต้องดิ้นหามาใหม่กันอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือยังสามารถาทำตามความต้องการของเราได้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหา แต่เวลาที่ร่างกายตรงนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เวลานั้นเราจะทุกข์มากเช่นถ้าร่างกายพิกลพิการไปดูคนที่เขาเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตดูคนที่เขาไปไหนมาไหนทำอะไรเองไม่ได้ถ้าเขาไม่มีคนอื่นช่วยเหลือเขาจะลำบากมาก ถึงแม้จะมีคนอื่นช่วยเหลือก็ไม่ได้เหมือนกับตอนที่เขาไม่ได้เป็นอมภพรกรมมาพาศเพราะคนอื่นก็จะช่วยเขาได้เป็นบางเวลาเท่านั้นให้คนอื่นเข้ามารับใช้เราตลอด24ชั่วโมงนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ถึงแม่รับใช้ก็ไม่สามารถทำอะไรคร่องแคล่วว่องไวเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เป็นอมภพรกรมภาพาศ นี่คือปัญหาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นที่พึ่งในการหาความสุขให้กับเราสักวันหนึ่งร่างกายของเรามันจะต้อง อ, อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์พิกลพิการรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชชร า, ากำลังวังชาไม่มี จะไปไหนไปไหนลำบากจะเดินทีละก้าวนี่ก็เดินไม่ค่อยไหวอันนี้แหละเป็นตอนที่ความทุกข์ต่างๆมันจะมารุมเล่าจิตใจของพวกเราถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งก็อาจจะทนไม่ไหวอาจจะอยากฆ่าตัวตายสมัยนี้เดี๋ยวนี้ ประเทศที่จเจริญทางด้านวัตถุประเทศที่จเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญเจริญความสุขทางตาหูจมูกรื้นกายเขาตอนนี้พยายามที่จะออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้เพราะเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ ไม่สามารถหาความสุขได้จะได้ให้หมอช่วยทำให้เขาตายเพราะอยู่ไปมันทรมานเขาคิดว่าตายไปนี้มันจะสบายกว่าแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถาวร เพราะการค่าตัวตายนี่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ใจนี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายพอทางร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็ทุกขึ้นมา ก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายตายไปใจจะหายทุกข์ใจไม่หายทุกข์หรอกเวลาร่างกายจะตายนี่ยิ่งทุกข์มากขึ้นใหญ่เพราะยังไงก็ไม่อยากจะตายเพราะคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายคิดว่าถ้าร่างกายตายตอนเองจะตายไปด้วยใจจะทุกข์มากแล้วก็เวลาร่างกายตายไปแล้ว ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็อยู่ที่ใจนี่ที่ยังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ยังอยากหาความสุขจากลาบยศสระเสริญยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพาะอยู่การฆ่าร่างกายไม่ได้ไปฆ่าความอยากไม่ได้ฆ่ากิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในใจ ที่จะเป็นตัวพาให้ใจนี้ไปเกิดใหม่ไปพึ่งร่างกายอันใหม่ที่พวกเรามาเกิดกันนั้นคราวนี้ก็เพราะว่าร่างกายของเราอันเก่ามันตายไปตายด้วยวิธีไหนก็สุดแท้แต่อาจจะตายด้วยการฆ่าตัวตายก็ได้อาจจะตายด้วยเพราะว่ามันแก่ชราหรือตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง พอเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เราก็มาหาร่างกายอันใหม่กันไปดูที่ไหนเขามีงานแต่งงานกันที่ไหนเขามีการน่วมหลับนอนกันเดี๋ยวก็จะต้องมีการตั้งครรภ์กันต้องมีการผลิตร่างกายอันใหม่ใดที่ต้องการร่างกายอันใหม่ก็จะไปครอบครองทันที ถ้ามีการตั้งครรนี่จะออกข้อออกมาได้หรือไม่ก็อยู่ที่แม่ว่าก็อยากจะเก็บเด็กไว้หรือไม่ถ้าแม่ก็ไม่อยากจะเก็บเขาทำแท้งร่างกายที่เราไปเกาะก็ตายไปอีกตายยังตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดอันนี้ก็ต้องพอตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เอง จนกาจะได้ร่างกายที่แม่เข า, เาไม่ทำแท้งปล่อยให้คลอดออกมาเราก็คลอดออกมากันเนียตอนนี้เราได้ท้องของแม่เราไปอยู่ในท้องของแม่ที่เขาไม่ทำแท้งเขาก็เลยทำให้เราได้คลอดออกมากันพอคลอดออกมาแล้วเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมเหมือนกับข่าวที่แล้วเราก็มาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอีก หาความสุขแบบที่เรากาลังหากันอยู่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเราก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมถ้าเราเคยฆ่าตัวตายเราก็จะฆ่าตัวตายใหม่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าตัวตายเราทนอยู่กับมันไปเราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่ยังไงก็ต้องตายแล้วตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าตราบใดเราไม่ได้มาทำลายตัวที่พาให้เรามาเกิดกันตัวที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยต้องมีร่างกายกันไม่ว่าจะมีกี่ร่างกายมันก็จะกลับมาใหม่อยู่เรื่อยร่างกายอันนี้ตายไป ก, กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายมันไม่ได้ถูกกาจัดไปด้วยความตายเวลาตายไปกิเลสตัณหาความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจกิเลสตัณหานี่มันจะตายก็ต่อเมื่อเรามีธรรมะนี่เองถ้าเรามีธรรมะ ธรรมะนี้จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจจะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะธรรมะจะให้ความสุขกับเราโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้อันนี้แหละธรรมะจึงมีคุณประโยชน์สองสองสองแดง อันหนึ่งก็คือให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกาย2ทํทำให้กําจัดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายให้หมดไปจากใจได้ผู้ที่ธรรมะมีธรรมะก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะว่าใจมีความสุขในตัวของใจเอง มีความสุขที่ดีกว่าจะไปหาความสุขที่เอเร็วกว่าทําไมเหมือนกับเราถ้าได้รถคันใหม่เราจะเก็บรถคันเก่าไว้ทําไมอถ้ารถคันใหม่มันดีกว่ารถคันเก่าเอรถคันเก่าเราก็ยกให้คนอื่นไปได้หรือขายทิ้งไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้มันใช่ไหมถ้าได้รถรุ่นล่าสุดเนี่ย แล้วใช้กับรถเก่าที่ใช้มาต้อง20สปีแล้วเนี่ยจะเอาเก็บไว้จะเลือกใช้คันไหนดีคันเก่าบางทีสตาร์ทก็ไม่ติดเวลาวิ่งไปเดี๋ยวก็เสียกลางทา ง, ทางอคันใหม่นี่โอ้โหสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บวิ่งรวดเร็วไปได้ทุกแห่งทุกค น, นมีเครื่องบันเทิงเครื่องบำเ น, นวยความสุขความสบายทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเพียงแต่ใช้นิ้วจีท่านั้นเอง แล้วเราจะไปใช้คันเก่าทำไมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ความสุขผ่านทางธรรมะแล้วเราจะไม่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเพราะมันความสุขคนละระดับกันความสุขระดับ VIP กับความสุขระดับธรรมดาเนี่ยจะเอาความสุขแบบไหนคอนที่มีธรรมะนี่ก็เป็น พวกที่หาความสุขระดับ V.I.P. ระดับห้าดาวพวกที่ไม่มีธรรมะนี่เป็นพวกที่หาความสุขแบบธรรมดาถ้าโรงแรมก็เป็นเกสต์เฮาส์พวกที่ V.I.P. นี่ก็อยู่โรงแรมห้าดาวถ้าเคยถ้าไปอยู่ห้าดาวแล้วจะไปอยากอยู่ตามเกสตเฮาส์ป่าไม่ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้แหละคือความวิเศษของธรรมลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสงบความสุขของธรรมนี้ความสุขของธรรมนี่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหมือนกับได้อของที่ใช้ในของระดับ VIP ทุกอย่างเป็น VIP หมดไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มก็ต้องแบรนด์เนมทั้งนั้น ไม่คุชชก็เวอรซาเซมีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นโรงแรมก็ต้องระดับห้าดาวเทั้งนั้นอาหารก็ระดับห้าดาวห้องเต้พัตการแล้วเราจะไปอยู่แบบเดิมทําไมไปอยู่แบบไปเช็คไปอยู่ตามเกทเฮาเรือว่าไปกินอาหารตามข้างถนนนหถ้าลองได้ มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ไปอยู่ในระดับ V.I.P. แล้วไม่มีใครบ้างที่จะไปกลับไปอยู่แบบแบบต็อกต่อยอใช่แบบแบบพวกแบ็ k แพ็คแบบพวกที่แบกเป้ไปอยู่แบบ V.I.P. ดีกว่ามีคนถือกระเป๋าให้หิ้วกระเป๋าให้บริการตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเนี่ย ต้องการอะไรนี่พูดปั๊บมาปุ๊บเลยอันนี้แหละคือความสุขทางธรรมเป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่แสรจะวิเศษถ้าใครได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วจะไม่ยินดีกับรสของราบยศสารเสรินไม่ยินดีกับรสของรลปเสียงกลิ่นรสผวดทพภภ้าอีกต่อไปไม่ยินดีกับการที่จะใช้ร่างกายอีกต่อไป ร่างกายมันจะดีไม่ดีมันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรมันจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่เป็นปัญหาดูพวกที่ได้ธรรมะเลยพวกพระอาหารหันเนี่ยแหละร่างกายการอยู่การกินของท่านทางร่างกายนี้ท่านไม่แยแสใช่ไหมท่านกินแบบขอทานนะพระอาหารหันนี่ไปบิณฑบาตขอทานทุกวัน ถึงแม้ท่านจะมีสิทธิ์ที่จะสั่งอาหารจากพัตตคารมาส่งให้ทุกวันท่านก็ไม่เอาเพราะท่านไม่ได้มีความสุขอะไรจากการกินการอยู่ผ่านทางร่างกายแล้วท่านเลี้ยงร่างกายไปตามสภาพเท่านั้นเองท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายที่เลี้ยงร่างกายไว้ก็เพราะว่ามันยังเอามาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แต่กับตัวท่านเองนี่ท่านไม่ได้อาศัยมันทําประโยชน์แล้ว อยางเอาร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คนที่ไม่รู้ธรรมะเนี่ยต้องอาศัยพ้าละหันที่มีร่างกายที่สามารถใช้ร่างกายแสดงธรรมให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องราวต่างๆของธรรมะได้จะได้รู้เรื่องราวของธรรมะว่าวิเศษอย่างไรจะได้มีมีความพยายามที่จะ สร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในตัวของเขาเนีพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อีกสี่สิบห้าปีหลังจากที่ได้ได้ธรรมะแล้วได้อยู่ในระดับว i p แล้วได้ความสุขระดับว i p แล้วแต่ทางร่างกายท่านก็ยังดูเลียงดูร่างกายต่อไปแต่เลี้ยงแบบธรรมดาไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเป็นระดับว i p อพ ยังอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้ยังบินตบาตฉันอะไรอยู่เหมือนเดิม เ, เพราะว่าท่านไม่ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายถ้าท่านหาความสุขผ่านทางร่างกายท่านก็คงจะกลับไปอยู่ในวังแล้วจะมาอยู่แบบขอทานทาไมานี่คือจิตใจที่ได้ได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมแล้ว จะไม่แยแสกับความสุขผ่านทางร่างกายถ้าร่างกายจะเลี้ยงมันก็เลี้ยงแบบธรรมดาให้มันพออยู่ได้ก็พออาหารก็ไปบินทบาทเนี่ยร่างกายพรจ ะ, จะเจ้าเจ้าอาศัยอาหารบินทบาทเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชาที่จะเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจเนี่ย วันวันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันละสามครั้งด้วยกันตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับคารวะญาติโยมตอนค่ำก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณีสั ม, มเนตยามดึกก็แสดงธรรมให้กับเทวดานี่คือพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทําอยู่เป็นประจำธรรมนี้ไม่ได้ทําให้เพื่อพระองค์ การทำภารกิจเหล่านี้ไม่ได้ทาให้พระองค์มีความสุขมากกว่าที่ความสุขที่พระองค์มีอยู่ในใจความสุขเหล่านี้ไม่ได้มีไม่มีผลอะไรต่อความสุขภายในใจของพระพุทธเจ้าจะทำหรือไม่ทำก็เท่าเดิมไม่ไม่แสดงทำก็ไม่ได้มีความไม่ได้รู้สึกขาดอะไรไป แสดงธรรมก็ไม่ได้คิดว่าได้อะไรมาเพิ่มคือไม่ได้ไม่เสียจากการกระทําสําหรับใจของพระ อ, องค์เองเพราะใจของพระ อ, องค์นี้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังใจของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานที่มีบรมลัสุขเป็นเป็นเครื่องอยู่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาเพิ่มบารมีมาสุขให้มีมากขึ้นได้หรือไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สามารถทำให้บารมีมาสุขนี้ลดน้อยหายไปไหนได้แต่การที่พระพุทธเจ้ายัางสละอุทิตเวลาต้อง45ปีมาเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอันนี้ท่าเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คณอย่างใหญ่หลวง เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับสัตว์โลกนี้ไม่มีใครสามารถมอบให้ได้คือธรรมะความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขระดับว i p พีต้องมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มาเผยแผ่สั่งสอนเป็นคนแรก แต่พอเผยแผ่สั่งสอนแล้วมีผู้ศึกษาไปปฏินำไปปฏิบัติก็สามารถสร้างความสุขระดับ VIP ขึ้นมาภายในใจได้บุคคลเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกนะพระอรหันตสาวกนี่หละเป็นผู้ที่มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐนี้ให้แก่สัตว์โลกอีกทอดหนึ่ง จึงทำให้เรามีธรรมะกันมาอยู่ในโลกนี้มาอย่างต่อเนื่องอถึงเวลานี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาตัดตาลูนี้ไม่มีธรรมะเลยไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียวไม่มีใครพบความสุขระดับวี p พีเลยมีแต่ความสุขระดับรอง คือความสุขที่ได้จากการเข้าฌานเข้าสมาธิซึ่งเป็นความสุขที่นักบวชในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี้สามารถหากันได้หาได้เพียงเท่านั้นคือความสุขระดับสมาธิระดับฌานและไม่มีใครสามารถเข้าถึงความสุขระดับของพระนิพพานได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาทรงค้นพบ เมื่อสองคนพบแล้วก็นาเอามาเผยแผ่สั่งสอนถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่ได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างวันนี้เราจะไม่ได้ยินคำว่าลดแห่งธรรมชนะลดทางปวงเราจะไม่ได้ยินคำว่านิบบานังปรมังสุ ข, ขังพระนิพพานเป็นบรมมาสุขกันเราก็จะต้อง อาศัยการหาความสุขผ่านทางร่างกายอย่างที่เราหากันอยู่หรือถ้าเราไปพบกับนักป่วยเราก็จะพบกับการหาความสุขจากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ความสุขที่ได้จากระดับพระนิพพานนี้ต้องมีพระพุทธศาสนาต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะสามารถเข้าสู่ความสุขระดับ v i ไได้ระดับพระอริยบุคคลนี้เรียกว่าความสุขระดับว i p ที่เหนือกว่าความสุขระดับสมาธิอันนี้แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงยังดูแลเลี้ยงดูร่างกายไปเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าจะช่วยสัตว์โลกได้มากพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนนี้ นับจำนวนไม่มากมายกายกองเสียดายไม่มีใครเก็บสถิติไว้ไม่มีทำสติติไว้แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมีพระอาหารหอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปแล้วเพราะเป็นวันที่มีพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันจากสารทิตต่างๆพาาระอรหันเหล่านี้เวลาที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายกันไปทิตต่างๆกันให้ไปทิตละองค์อย่าไปด้วยกันอย่าไปเป็นคู่ให้ไปเดี่ยวเพื่อจะได้ไปเผยแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างขวางนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นประมาณเจ็ดเดือนท่านก็มีความคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยเดินทางมาพบพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันมีหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปที่มาส่วนพวกที่ไม่มานี้ยังไม่รู้ว่ามีอีกเท่าไหร่เพียงเจ็ดเดือนแรกก็มีพระอาหารต้งหนึ่งพันสองร2อ0ห้าสิบรูปถ้าเราเอาสี่สิบห้าปีคูณเข้าไปดู แล้วคูณแบบทบต้นด้วยแบบไม่ใช่คูณแบบธรรมดาเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นเพราะว่าพอมีพระหลานมากก็มีการเผยแผ่ธรรมะได้มากขึ้นพอมีการเผยแผ่ธรรมะได้มากขึ้นก็มีคนศึกษาปฏิบัติได้มากขึ้นมันจะเป็นเอลกลายด้อมนมันไม่ใช่เป็นแบบสองคูณสองเป็นสี่มันจะเป็นแบบเอ่อเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นแ 8คณแปดนู่นเออสิบคุณสิบร้อยคณร้อยไปเออมีอาหารร้อยรูปก็อาหารร้อยรูปนี้ก็จะไปผลิตอีกอีกร้อยเท่ามันจะคูณไปแบบนั้ น, นเนี่ยเนี่ยติโลกมีที่ได้ดุจพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจำนวนมากมายเป็นนี่พระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากมาย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดารู้พระธรรมอันประเสริฐนี้จะไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วตายแล้วก็กลับมาไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ไปกกลับมากลับมาเกิดใหม่เพราะอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง แต่ไม่รู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายจะนำไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายในเบื้องต้นนี่สุขกันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่สามารถทำอะไรกันได้แต่บางครั้งก็ยังสะดุดได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีหาแล้วเสียไปก็เสียใจค่าตัวตายไปก็มีคนหนุ่มคนสาวบางทีเสียแฟนไปก็น้อยใจฆ่าตัวตายก็มี น้อยไม่ไม่เป็นจํานวนมากนีคนส่วนใหญ่ก็อาจจะทําใจได้อาจจะคิดว่าตายไปเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เสียคนนี้ไปเดี๋ยวก็หาก็ทําใจสักพักเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวแผลใจก็หายแผลใจก็เหมือนแผลร่างกายทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายเวลาเศร้าโศกเสียใจไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็ลืมเหตุการณ์ต่างๆ มันก็หายทุกข์พอหายทุกข์มันก็เริ่มหาความสุขแบบเดิมอีกไม่เข็ดก็หาแบบเดิมอีกแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปเจอประวัติซ้ำรอยอีกก็ได้แต่มันไม่ว่าจะหาอย่างไรมันก็จะต้องเจอความทุกข์ในบ้านปลายเสมอเพราะว่า ง, งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงการหาความสุขแบบผ่านทางร่างกายนี้เหมือนกับการไปงานเลี้ยงมันเป็น ความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่มีงานเลี้ยงแต่พองานเลี้ยงจบก็ความสุขที่ได้จากงานเลี้ยงนั้นก็จะหมดไปอันนี้แหละที่สิ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาคิดกันว่าตอนนี้เรากำลังหาความสุขแบบไปงานเลี้ยงกันไปงานตอนไปโอ้ยดีใจเจอเพื่อนฝูงเจอคนนั้นคนนี้ทักทายกินกันดิมกัน พอจบ ก, ก็ต้องแยกทางกลับกันก็รอ ง, งานเลี้ยงวันใหม่รอวันวันแต่งงานของคนนุ่นงานแต่งงานของคนนี้งานวันเกิดของคนนั้นงานปีใหม่งานอะไรรอหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิการพิการตอนนั้นก็หมดสิทธิ์ตอนนั้นอยากจะไปก็ไปไม่ไหว ไปเขาก็ไม่อยากให้ไปถ้าเรานั่งอ้อ เ, เข็นไปเอาพยาบาลติดตัวไปด้วยไปงานมงคลเดี๋ยวก็เาก็เขาก็ไม่อยากจะให้เราไปานี่คือความสุขแบบที่มีวันจบแต่ใจมันไม่ยอมจบเลยความอยากหาความสุขมันไม่ยอมจบด้วยกับเหตุการณ์ เหตุการมันจบแล้วหาความสุขไม่ได้แล้วแต่ใจมันยังดิ้นหาอยู่มันถึงทรมานใจมันทรมานเพราะมันต้องดิ้นมันพอมันดิ้นมากๆทรมานมากๆมันก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วมันจะหายไม่หายหรอกร่างกายตายไปใจก็ยังดิ้นอยู่ใจก็จะดิ้นไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาดิ้นหาความสุขผ่านทางร่างกายอันใหม่อีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนก่าจะมาเจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่มีประโยชน์ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหาการ น, นี้มีประโยชน์มากกว่าความสุขที่เราหาจากผ่านทางร่างกายเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมา เป็นความสุขที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นเห็นว่าการหาความสุขจากธรรมะนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ที่เลื้อหลังที่เราแก้มานานแสนนานแล้วก็แก้ไม่ได้สยถยทีแก้การกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้แก้การกลับมาทุกข์กับร่างกายไม่ได้แก้กับ การกลับมากับการมาพัดพากจากสิ่งต่างๆไม่ได้มาเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บทามตายต้องมาเจอการพัดพากจากกันทุกครั้งไปแต่ถ้าเราเห็นว่าธรรมะของพระเจ้านี้จะแก้ปัญหานี้ได้จะทาให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพาคจากกัน เราก็จะมีกําลังใจมีศรัทธาที่จะศึกษาวิธีสร้างธรรมะขึ้นมาพอเรามีความตั้งใจศึกษาเราก็จะรู้วิธีสร้างธรรมะว่าให้สร้างอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็เอาไปสร้างกันเอาไปทำกันพอมีการสร้างเดี๋ยวมันก็มีมีการเกิดของธรรมะขึ้นมานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราสร้างกันเมื่อก่อนมันไม่มีศาลาหลังนี้เมื่อก่อนมันไม่มีพอเรารู้วิธีสร้างศาลาพอเราต้องการสร้างศาลาเรารู้ว่าต้องมีอะไรมาสร้างเราก็ไปหาวัตถุดิบมาหาไม้หาสังกะสีหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาสร้างพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมี ม, ม, มีวัตถุดิบเราก็สร้างศาลานี้ขึ้นมาได้ธรรมะก็เป็นเหมือนอย่างนั้น ธรรมะที่จะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องม้าเครื่องมือเครื่องม้าเครื่องมือที่จะสร้างความสุขจากธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ถ้าเราไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เดี๋ยวเราก็จะได้ธรรมะที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่จะให้ความสุขกับเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ เราต้องเกิดความศรัทธาเราต้องเห็นปัญหาของเราก่อนถ้าเรายังไม่เห็นปัญหาของเราเนี่ยเราจะไม่ไปหาเราจะไม่หาวิธีแก้ถ้าเรายังไม่เห็นว่าปัญหาของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพักผากจากกันเราก็จะไม่คิดที่จะไปแก้ปัญหานี้ที่เราไม่เห็นปัญหานี้ก็เพราะเราไม่ยอมคิดถึงมันนั่นเอง เราปัดมันไปไม่พยายามไม่คิดถึงมันบางทีปัญหามัน <c oughs> โจทย์มันมาแสดงต่อหน้าเราเราก็ทําเป็นลืมไปเวลามีคนตายที่เหมือนกับโจทย์มาเตะมาบอกเราว่านี่คือโจทย์นะว่าความตายนะเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนยเราเห็นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมพยายามไม่ไปคิดถึงมันแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็จะคิดว่าเราไม่มีปัญหาไม่มีโจทย์ที่จะต้องมาแก้เราก็จะไม่ดิ้นรนขวนขวายหาวิธีมาแก้ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าเราหมั่นเตือนใจเราอยู่เรื่อยเรื่อยดังที่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะเนื้อสิ่งแรกพุทธเจ้าจะสอนก็คือให้เราเตือนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรามีโจทย์ที่เราจะต้องแก้เรามีปัญหาที่จะต้องแก้ ปัญหาก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบถ้าเราคิดอยู่ได้เรื่อยเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าเราต้องมาหาวิธีแก้โจทย์แก้ปัญหานี้และวิธีที่จะแก้โจทย์แก้ปัญหาก็คือการสร้างธรรมะขึ้นมาในใจธรรมะที่จะสร้างก็คือศีลสมาธิ เครื่องมือที่จะสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอเรารู้ว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราจะแก้ปัญหาได้แก้โจทย์ได้แก้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายได้แก้เรื่องการพัดพากจากกันได้เราก็จะมีความขวนขวายขึ้นมา รีบมารักษาศีลกันรีบมาฝึกนั่งสมาธิกันรีบมาฝึกเจริญปัญญากันเออพอเราทำแล้วมันก็จะคืบหน้าไปเหมือนพอเรารู้ว่าถ้าเราต้องการจะจบปริญญาตรีเราต้องไปโรงเรียนเออพอเรารู้ว่าถ้าเราต้องอยากได้ปริญญาตรีเราต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็บอกแม่แม่พาไปโรงเรียนหน่อยแม่ก็จะพาไปเข้าอนุบาลก่อนตามขั้นตอนของเขา พอถ้ายังไม่เคยเรียนเลยก็ต้องไปเรียนอนุบาลก่อนพอผ่านอนุบาลก็ไปชั้นปถมชั้นปถมก็ไปชั้นมัธยมเดี๋ยวก็เข้ามาหาลายัยพอเข้ามาหาลายัยเรียนสี่ปีก็ได้ปริญญาแล้วถ้าอยากจะต่อก็อีกสองปีก็ได้โทแล้วถ้าอยากจะต่ออีกห้าปีก็ได้เอกนะอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาต้อง เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับไปโรงเรียนแต่การที่เราจะไปโรงเรียนไปปฏิบัติธรรมนี้เราต้องรู้ประโยชน์ของการที่ปฏิบัติธรรมว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ที่พึ่งทางใจเราจะได้ลดแห่งธรรมได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราจะได้เลิกพึ่งร่างกายได้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปได้ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่าปัญหาของพวกเราก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนี่แล้วเหตุที่พายเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆคือกิเลสตัณหาความอยากความโลภที่มีอยู่ในใจของพวกเราถ้าเราอยากจะยุติเราต้องสร้างธรรมะขึ้นมาเพราะถ้าเรามีธรรมะแล้วธรรมะนี้จะกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยาก ให้หมดไปจากใจธรรมะนี้จะสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายกต่อไปพอเราไม่พึ่งร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอร่างกายตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไป น, นี่คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า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 แล้วมันจะทำให้เรามีความกระตือรือล้นที่จะรีบไปสร้างที่พึ่งทางใจคือไปปฏิบัติธรรมกันไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันพอเราได้ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจเราจะได้ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทางปวงที่จะทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิชตัตุสัพเพปุเรนตตสังกปาปา จันโทปันะระโสยทามณิโชตดระโสยทาสพีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโน จตารโหมมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟ c บุ o o สามร้อยหกสิบเก้าจาก y o u ู u สองร้อยเก้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบปดผู้รับฟังบนข่าวยี่สิบสามรวมทั้งสิ้นห2ร้อยยี่สิบเก้าค่ะ มาเต็มห้องหกร้อยกว่ามีคำถามใครอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้มีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้คำถามจากคุณวัชระกราบนามัสการพระอาจารย์ครับเวลาที่ผมต้องรออะไรนานๆเช่น รอสัญญานานๆใจผมกระวนกระวายเร่าร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอได้สิ่งที่ต้องการมาอาการเหล่านั้นก็หายไปแบบนี้ต้องทำอย่างไรดีครับแบบนี้เป็นอารมณ์ของร่างกายที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเป็นลมของความอยากความอยากทำให้เรากังวนกระวายพออยากได้อะไรแล้วมันอยากอยา ก, อยากจะได้ทันที อยากได้ปับ๊บคิดปุ๊บอยากได้ปับนะ๊บเนี่ยพอต้องรอมันก็เลยเ ก, กังวนกวายเวลาที่เราไม่มีความอยากมันจะไม่มีความ ก, านกาวนกวายใช่เวลายังไม่อยากดื่มกาแฟนี่ไม่ ก, กังวนกัวายพออยากจะดื่มนี่พอสั่งปุ๊บนี่นอยากให้มันมาปั๊บเลยก็ถึงเดียวนี่มีบริการแบบฟาสต์ฟู้ดไงบริการทันอกทันใจสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยพราะรู้ว่าเวลาคน คนสั่งรอนี่มันกวนกาวายเพอาพอมันอยากแนละ้วมันอยากจะได้ทันทีพอยังต้องรอยอยู่มันก็เลยทำให้สัน่นแต่พอได้มาปุ๊บก็หายสัน่นถ้าไม่อยากจะสั่นก็อย่าไปอยากมันคิดว่าสั่งแล้วก็แล้วไปมามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรทำใจงั้นได้คือทำใจให้เฉยให้เป็นแต่ส่วนใหญ่คนเรานี่ทำใจให้เฉยไม่เป็น ก็จะเฉยจะเฉยเป็นต้องฝึกสมาธิเท่านั้นถึงจะเฉยเป็นหรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าออสั่งแล้วมันไม่แน่ว่าบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้าออบางทีก็ไม่มาเลยฉะนั้นพอสั่งแล้วก็ทําใจลืมเลื่มันไปซะ อ, อ, อย่างนี้ก็มันก็จะไม่สัน่นก็มีสองวิธออีก็ใช้เหตุผลบอกว่าเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้าบางทีก็ไม่มาเลยถ้าก็อย่าไปหวังอะไรจากมันถ้าไม่หวังมันก็จะไม่สั่นถ้าหวังแล้วมันไม่ได้มามันก็จะผิดหวังถ้าหวังแล้วให้มันหวังให้มันมาเร็วมันมาช้าก็ก็ใจสั่นเรั้นถ้าหวังว่าให้มันมันจะมาช้ามันมาเร็วมันก็ไม่สั่นนะบางที ต้องคิดให้มันไปในทางที่ทาให้ใจเราไม่สั่นเกิคิดว่าดิมเลยมันไปซะสั่งหรือเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วมันจะมาหรือไม่มาเป็นหน้าที่ของมันมันจะมาช้าหรือมาเร็วก็หรือไม่มาเลยก็เป็นเรื่องของมันถ้าคิดอย่างนี้ใจเราก็จะไม่สั่นคำถามจากคุณนวราชกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราปฏิบัติมาเรื่อยๆยิ่งเห็นข้อเสียหรือข้อบกพร่อง หรือเห็นว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเอามากๆเลยถือว่าเรามาถูกทางใหม่เจ้าคะก็ครึ่งทางเยงแต่เห็นยังไม่พอเห็นแล้วมันต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ดีตรงไหนก็ต้องกำจัดมันส่วนไหนที่ดีแต่ยังดีน้อยอยู่ก็เพิ่มมันนี่นี่คือวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเราเราต้องเห็นส่วนที่บกพร่องเห็นส่วนที่ดีของเราส่วนที่บกพร่องเราต้องพยายามกาจัดมัน ส่วนที่ดีเราพยายามเสริมสร้างให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเฉะนั้นการเห็นนี่เพียงครึ่งทางเท่านั้นเองเห็นแล้วก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคำถามหรือปเปล่าเข้ามาใกล้ๆหน่อยจะได้ไม่ต้องส่งไปยไมยโครโฟนอยู่ตรงกราบน้อยส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะคือตลอดสามปีที่ผ่านมาเจ้าค่ะหนูก็จะใช้ เจริญสติโดยการท่องบทอิติวิโสอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสปีแต่คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้มาภาวนาไม่ได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงเป็นเรื่องของการขั้นตอนการทําทานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ไปได้ดีกับการทํางานกับการใช้แก้ปัญหาต่างๆหรืออะไ ร, งไรเงี้ยเจ้าค่ะที่มาคลิกอยู่คำหนึ่งตอนช่วงประมาณข้าบันษาพระอาจารย์ตอบคําถามทางบ้านเจ้าค่ะก็แปลว่าถ้าจะให้จิตรวมหรือว่าถ้าการภาวนาจริงๆเดี๋ยมันต้องเป็นพุทโทถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ที่นี้จริตนิสัยของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นคนที่ว่าชอบชอบความเร็วหรือว่าเหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ว่า alert ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเรามาใช้พุโทโธเราควรจะใช้ในรูปแบบยังไงดีเจ้าคะคือเราถนัดไงช้าก็ได้เร็วก็ได้เราไปภายในใจพุโทโธพุโทโธไปเจ้าค่ะคือเจ็วันในหนูทดลองแบบนี้เจค่ะอันแรกก็คือพุโทโธอย่างเดียวเลย ก็รู้สึกว่ามันจะไปได้ดีกับการเดินจงกรมเจ้ค่ะเสร็จแล้วตอนปฏิบัตินี่ก็ต้องลองผิดลองถูกเดี๋ยวจ้าปรับให้มันเหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับวาระเพราะว่าถ้าเดินก็อย่างหนึ่งถ้านั่งก็อย่างหนึ่งทีนี้ถ้านั่งในพื้นที่ปิดเจ้าค่ะอย่างสมมติในอาคารอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการดูลมหายใจก็ไปได้ดีเจ้ค่ะแต่ถ้าได้เหมือนกันสลับกันได้แทนกันได้ถ้าถ้าเป็นแบบพื้นที่โล่งอย่างเงี้ยเจ้ค่ะ อรู้สึกว่าถ้าคือสมมุติถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้หรือว่า เ, <อ>เรามีนิสัยที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้และเราชอบกานหายใจเลยเนีเ<อ>่ยก็รู้สึกว่ามันมันกระเพื่อมแล้วมันไม่สงบเลยเจ้าค่ะอาจาั้นใจก็พุโทโธไปถีๆไปเรื่อยๆอ ย, ยอย่าไปคิดถึงอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้อยู่กับพุโทโธไปใจจะได้ไม่ไปมีปฏิกิริยาครับใช่หนูก็เคยได้ยิน ถามตอบของพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยเจ้ค่ะเราก็ไม่ควรที่จะต้องภาวนาหรือว่าพุทธพด้วยเพราะว่าก็จะเกิดอันตรายได้ต้องเยี่ยวกับการขับรถเป็นหลักเจ้าค่ะแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสมมติว่านิสัยของหนูหรือว่าหลักในใ น, ในเรื่องชีวิตประจําวันที่หนูทํางานก็ดีหรือว่าอย่างเวลาหนูขับมาวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะต้องอยู่บนทางถนนประมาณสองถึงสมชั่วโมงคือตอนนั้นหนูก็ยังดื้ออยู่หนูก็ไม่ได้พุทธโธอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหนูก็ใช้ บทสวดเจริญสติอิติวิโสไปอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะมันก็เกิดผลดีในแง่ที่ว่าอย่างบางทีเราขับขึ้นอีสานเจ้าคะ่ะหลายๆชั่วโมงมันก็มันก็ว่ามันไม่เบื่อในการขับแล้วมันก็ไปถึงได้อะไรเงี้ยเจ้ะคะ่ะก็ได้ใช้การสวดบ้างก็ได้ใช้ทุทโทบ้างก็ได้สลับกันไปตามแต่แโอกาสแล้วแต่เหมือนขับรถต้องเปลี่ยนเกียร์ไหมบางทีรถมันวิ่งช้าก็ต้องเข้าเกียร์ต่ํำพอรถมันวิ่งเร็วก็เข้าเกียร์สูงเจ้าคะ่ะทีนี้ขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ จะเรียนสอบถามว่าทางสายเอกจริงๆที่พระอาจารย์ใช้อ่ะคะ่ะมันคือตัวไหนเจ้าคะ่ะด้ยแบบเนี้แล้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะดูร่างกายเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทําอะไรก็อยู่กับการกระทําของร่างกายไปพอเรานั่งเราก็จะดูลมถ้าดูลมไม่ได้ใหม่ๆเราก็สวดไปก่อนสวดพระสูตรสติปัฏฐานไปสวดไปประมาณสี่สิบนาทีเจค่ะสวดไปภายในใจ พอสวดเสร็จมันก็เบามันก็ดูลมได้ก็ดูลมต่อคืออะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์เหมือนแบบว่าให้เป็นตัวช่วยอย่างเราดูว่าจิตเราฟุูงมากฟุูงน้อยถ้าฟุูงมากก็ต้องใช้เกียร์ต่ำํำถ้าฟุูงน้อยก็ใช้เกียร์สูงทีนี้ในเรื่องของกาแฟเจ้าค่ะอ่ะคือโดยทั่วไปอันนี้เราพูดกันคนละเรื่องว่าถ้าถ้าไม่ได้ทานด้วยความอยากนะเจ้าค่ ะ, ะคือทานในขณะที่เราจะภาวนายอย่างนี้เจ้าค่ะเหมือนกับว่า ยืดอายุของการนั่งไปให้นานอีกนิดนึงหรือว่าเพิ่มความขยันไม่ดีใช่อันนี้เป็นกเลเหตุทุของกิเลสเมันบางคนติดติดไอเครื่องดื่มชูกําลังก็ต้องกินชูกําลังจะได้ไม่ง่วงอันนี้เดี๋ยวเกิดเวลาไม่มีมันจะมีปัญหาเวลาไม่มีกาแฟไม่มีเครื่องดื่มชูกําลังมันจะหมดแรงไปเลยมันจะไม่มีกําลังเลยอันนี้คือไม่แนะนําใช่ไหมจ้ะควรจะเลิกเอควรจะใช้ธรรมชาติคะร่างกายมัน มันมีกำลังของมันเองะมันไม่ต้องไปเอาอะไรอ่นี้เลยมาชูมันออกมาสนับสนุนมันถ้ามันร่างกายไม่ไหวก็ให้มันพักผ่อนดีกว่าทีนี้อีกอันหนึ่งเจ้าค่ะเป็นคำถามสุดท้ายคือเหมือนอย่างขั้นตอนการทำทานเจ้าค่ะคือของแต่ละคนเนี่ยความอิ่มอิ่มใจใช่ไหมเจนาค่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่แบบไหนเราทำแบบไหนบางคนมีสุขใจด้วยการไปปล่อยนกปล่อยปลา บางคนสุขใจด้วยการไปเลี้ยงเด็กพิการอันนี้เป็นคนเป็นความความชอบเจ้าค่ะทีนี้ในส่วนตัวก็คือว่าหนูพราบว่าขวาเราเนี่ยจะมาหักมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเจ้ค่ะมันใช้เวลาแบบนานหลายปีเลยเจ้าค่ะคือทําจนเต็มอิ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วเจ้าค่ะ<อ>ทีนี้เหมือนอย่างตอนเนี้ยคือหนูใช้ทํามางพระจ่ายเนี่ยเจ้าค่ะใช้ในการแก้ไขในแต่ละจุดแต่ละจุดมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับชีวิตตอนนี้มันก็ แต่ว่ามันก็มันมันก็มันก็ดีกว่าแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่าก็ทําไปเรื่อยเหมือนอย่างเมื่อครู่ฟังที่พระอาจารย์เมตตาเทศว่าให้นึกถึงการเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหยคะอืมคือมันมันมันจะมีอะไรสักนิดหนึ่งไห้เจ้าค่ะมันอะไรอีกนิดหนึ่งอ่ะคือไม่พอเลยไม่กระตุ้นไม่พอเลยมันมันก็กระตุ้นอยู่นะเจ้าค่ะแต่คือมันเหมือนแบบก็ต้องไปดูของจริง คิดอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องไปดูคนตายบ้างไปงดูคนเจ็บบ้างจริงๆแล้วอย่างงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคนใกล้ตัวหรืออะไร<ป>เ<ง> น, นี้ยมันก็อีตลอดมันไม่เห็นคนตายหรอกไปคนไปงานศพเจอแต่คนเป็นคนตายก็ปิดใส่เรามองไม่เห็นต้องไปดูงานศพที่เขาเปิดฝาลงให้ดูคนตาย มันไม่ได้เห็นคนตายเนี่ยไปทดลองดูก่อนใช่ไหมใช่ไปดูว่าต่อไปเราต้องเป็นอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยเป็นยังไงไปดูคนแก่ตามโรงพยาบาลคนเจ็บไข้ตามโรงพยาบาลอย่างน้องชายเราไม่สบายอย่างเงี้ย <จ finished. S 1> เป็นยังไงอ่มันจะได้นึกถึงสภาพว่าต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนั้นคือตอนนี้มันคิดได้แค่ว่าเนี่ยแบบคือมันไม่แน่ไม่นอนก็เลยเออรีบมาอะไรเงี้ยจค่ะจ ะ, <ๆ S 2> จะได้มันจะได้กระตุ้นให้เรามาทางธรรมะได้มากขึ้น จะได้ไม่ไปเสียเวลาถูกกิเลสหลอกให้ไปหาหนู่นหาหนี่ทำนู่นทำนี่ทำไปเท่าไหร่เวลาแก่เจ็บตายมันก็หมดความหมายไปเป็นความสุขประเดียวประดา้าความเพลิดเพลินประเดียวประดาาแก้ความหงุดหงิดกรรมลำลำคาญใจเท่านั้นเองเพราะการเข้าหาทำมันยากมันเลยไม่อยากจะเข้ากันเข้าหากิเลสมันง่ายกว่า แต่เราต้องฝืนกี่เลยเราต้องพยายามบีบบังคับให้มันเข้าหาธรรมไม่อยู่อยู่คนเดียวอย่างนี้ได้เรื่อยเวลามาก็ลืมเรื่องทาบุญทำทานไปเป็นเป็นคนละภาคแล้วถ้าปฏิบัติภาวนาแล้วก็หยุดพักเรื่องการทำบุญทำทานไปตอ น, ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าดวเดี๋ยวเขวต้องกลับไปทำงานอีกก็จะหก็พยายามเลิกการสึงลองาออกจากงาน จากที่ฟังธรรมาพระอาจารย์สามปีนะี่คือมันก็ลดเรื่องการทำงานลงมาเรื่อยๆแล้วนะออจ<ร>๊ะคือตอนนี้เหลือล ป, <ๆ>ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็น ะ, ะออก็พยายามลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลิกได้แต่ถ้าจำเป็นทาก็ทำให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแล้วไม่ต้องทำเพื่อเอาเงินมาทำบุญเอาเงินมาสนับสนุนการภาวนาเจ้าค่ะกลับกับพระคุณจะที่ให้ทำบุญนี่หมายถึงคนที่มีเงินเยอะ ไม่ต้องหามันมาเองเองนี้ก็เอาไปทาบุญแต่ถ้าไม่มีเงินเยอะก็อย่าไม่ต้องไปหาเงินมาทำบุญหาเงินมาสนับสนุนการภาวนาเพราะต้องจ่ายค่าอาหารจ่ายที่พักอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นพระไม่มีคนสนับสนุนเราเลยต้องสนับสนุนตัวเราเองหาใจไม่เลิกอย่ยองนี้ก็ไปอยู่วัดที่เขาให้กินข้าวฟรีก็ไปอยู่วัดนั้นไปมีวัดครูบาอาจารย์วัดปฏิบัตินี่เขาไม่เก็บตังค์หรอก ข้อหมาค่ะข้อหมาว่าอยากทําแบบนั้นนะคะอยากไปอ่าก็มีคนเข้าไปอยู่กันเยอะแยะมีบวชชีบวชอะไรกันอยู่บวชพรามกันเขาก็อยู่กันไปลองไปดูส<ป>ิลองไปดูวัดปา่าที่เขามีญาติโยมไปอยู่ไปปฏิบัติกันมีคําถามหนึ่งคำถาม<อ>าค่ะ เ, เนูได้มาปฏิบัติ อ, อห้าวันแล้วค่ะแล้วออกออกออ ก, ออกวันนี้ค่ะอครันนี้ คำถามที่อยากจะถามคือว่าการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมอะค่ะเออเ อ, อมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิคือจิตจะนิ่งกว่าการเดินจงกรมอันนี้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ถนัดเดินจงกรมยังไม่ต้องเดินก็ได้ก็ไม่ต้องอออนั่งได้ก็นั่งไปแต่มันถ้านั่งนานๆบ่อยๆมันจะไม่มันจะเมื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นมเดินอยู่ดี อยนั่งเก้าอี้ได้จะนั่งได้ก็นั่งไปเอนั่งเก้าอี้แบบนั่งท่าไหนก็ได้นั่งขอบเตียงนั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะนั่งขัดสมาธิก็ได้ก็สําคัญก็ให้มีสติอย่านั่งแล้วใจลอยค่ะนั่งแล้วต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไปใจถึงจะสงบได้ค่ะจะได้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านนะคะหรือปฏิบัติตอนทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กอบงานที่เราทําไป ล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะข อ, ขอบคุณค่ะคำถามต่อไปจะคุณพีเจถ้าเราต้องไปงานเทศกาลเฉลิมฉลองที่มีแอลกอฮอล์แต่เราไม่ดื่ม <c oughs> แต่เราไม่ดื่มแต่ชนแก้วกับเขาแล้วมาจิบที่ปากแต่ไม่โดนเล่า เราจะผิดศีลข้อห้าไหมเจ้าคะก็บอกเขาขอน้ามาดื่มแทนก็ได้ไม่ต้องไปอะไรไปโกหกหลอกลวงกันทาไมก็บอกว่าเราเป็นพุทธพุทธก็ห้ามดื่มสุราทาไมอิสลามก็ไม่กินหมูได้ะทำไมเราเป็นพุทธไม่ดื่มสุราไม่ได้หรือยังไงเมืองพุทธแท้ๆทำไมยังต้องมาเสแสร้งว่าไม่ได้เป็นพุทธ ใช่ไหมเป็นพุทธก็บอกว่าฉันเป็นพุทธฉันดื่มน้ำส้มแทนได้ไหมฉันดึ่มเวลาเข้าเครื่องดื่มมาถามมาให้มีน้ำส้มไหมมีน้ำโซดาไหมน้ำเปล่าไหมเด็กเขาก็หามาให้เองเป็นย า, ยากเย็นหน่อยกินเหล้ามันเก่งตรงไหนมีแต่งโง่นั่นะคนงโง่เขากินเหล้าคนฉลาดก็ไม่กิน เ, ลเหล้าหรอกพระพุทธเจ้ากิน เ, เหล้าปะบัณฑิตก็ไม่กินเหล้ามิแต่คนพานคนงโง่ที่กินเหล้า คำถามจากคุณปอขออนุญาตเรียกถามท่านพระอาจารย์ว่าแสดงธรรมให้นางฟ้าและเทวดาฟังต้องเปล่งเสียงออกไหมครับ อ, อ๋อเขาใช้ภาษาใจก็ไม่ใช่พูดคำพูดใช้ภาษาใจใช้ความคิดเด็ดกันทางนางฟ้าเขาก็ไม่มีตาหูจมูกเล่นกายที่จะฟังเสียงเราก็ามีตาทิพหูทิพเราก็ต้องใช้เสียงทิพเสียงทิพก็คือความคิดเนี่ย คำถามจากคุณนรงศักดิ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับโยมนั่งสมาธิออกมาแล้วพิจารณาวิญญาณธาตุเห็นว่าแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงอยากให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างว่าวิญญาณธาตุนี้กับผู้รู้เป็นอันเดียวกันหรือคนละอันครับแล้วโยมจะปฏิบัติอย่างไรต่อครับอคุณบอกก่อนเลยคุณพิจารณาวิญญาณธาตุอย่างไรวิญญาณธาตุนี้มัน อยู่ตรงไหนคุณพิจารณายัางไงถึงไปเรียกเขาเป็นวิญญาณธาตุยังไม่รู้เลยคำว่าวิญญาณธาตุนี้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันบอกเราหน่อยที่เป็นยังไงคำถามจากคุณนางกราบเรียนถามผู้เข้ากระแสรพระนิพพานแล้วหมายถึงระดับไหนขึ้นไปคะอ๋อโซดาบันไงโสดาบันนี่เหมือนคนที่ขึ้นทางด่วนนละ เราขึนทางด่วนปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางมันจะไม่หลงทางะเพราะทางด่วนนี้มันจะบังคับให้วิ่งไปในทางที่มอนพาไปผู้ที่เข้าสู่กระแสนี้จะไม่หลงละจะไม่หลงไปทางลาบยศสรรเสริญสุขจะไปแต่ทางนิพพานไปทางทานศีลภาวนาเพียงอย่างเดียวค่ะ ข, ของคุณนางอีกคำถามหนึ่งนะคะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ โสดาบันมีโอกาสจะเกิดเป็นสัตว์หรือไม่เจ้าคะไม่เป็นแล้วไม่ไปอบายเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาถ้าน oh. า, าคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมต่อมีโสดาบันกับสกิดาคามียังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าเป็นโสดาวันโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดเจ็ดชาติถ้าเป็นสกิดาคามีก็ไม่เกินหนึ่งชาติ ถ้าเปนอนาคารามีก็ไม่กลับมาเกิดในภพของเทวดาหรือมนุษย์จะไปเกิดภพของพรหมว่าอนาคามีตัดความอยากทางร่างกายได้หมดพระอนาหาันก็ไม่กลับมาเกิดเลยพระอาจารย์คะแล้วเทวดาปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมแล้วแต่มันมีเทวดาพวกไรโซพวกเที่ยวเทวดาชอบเข้าวัดมันมีหลายพวกไง พวกเทวดาเข้าวัดเขาก็จะไปหาพาาระานุษย์พระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านแสดงธรรมก็ปฏิบัติได้ก็ฟังธรรมไปก็ปฏิบัติได้แม้พระพุทธเจ้าก็บรรลุจากปุตุชนเป็นโสดาบันได้ด้วยการฟังธรรมนี่พระเจ้าสอนแสดงไปเข้าใจก็ตัดกิเลสตัดสังโยชน์ได้ก็บรรลุได้แต่ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนจะไม่รู้แต่พอเข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วนี้จะรู้เคล็ดละจะรู้วิธี ปฏิบัติแล้วไม่ต้องมีคนสอนต่อก็ได้แต่จะช้าเรื่อเร็วถ้ามีคนคอยสอนคอยบอกจะเร็วกว่าถ้าไม่มีคนสอนก็ยังต้องคำทางไปอยู่แต่จะไม่หลงทางแะคำถามจากคุณแจ็กสันกราบท่านพระอาจารย์ครับทําไมครูบาอาจารย์บางองค์ยังเก็บสรีระไว้บางองค์ถึงให้ถวายเพลิงครับอยู่ที่ลูกศิษย์ไงลูกศิษย์บางคนยังรักยังห่วงร่างกายอยู่ยั ง, งโง่อยู่ ลูกศิษย์ที่ไม่งอก็ทำตามที่ทำนํำเนียมของพระอาาราันของพระพุทธเจ้าเก็บศพไว้ไม่เกินเจ็ดวันก็เผาแล้วก็บูชาพระธาตุไปแทนไม่จะเก็บร่างกายไว้ทำไมดองมันไว้อย่างนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องการดึงดูดคนเข้าวัดไงกลัวว่าถ้าไม่มีร่างกายของอาจารย์แล้วจะไม่คนมาทำบุญ พวกนี้ไม่ได้มองที่ร่างกายของอาจารย์มองที่เงินที่จะได้จากร่างกายของอาจารย์ถึงต้องเก็บดองไว้ไงบางทีใส่ลงแก้วสวยงามให้คนได้กราบได้ไว่ายจะได้มีคนมาทำบุญอยู่เรื่อย เ, เพราะกลัวว่าส่วนใหญ่ถ้าวัดไหนไม่มีอาจารย์แล้วเดี๋ยววัด น, นั้นล้างไงพวกที่เป็นพวกพวกที่เฝ้าวัดก็ไม่อยากให้ล้างก็เลยอยากจะเก็บร่างกายของอาจารย์ไว้ แต่พวกที่เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาตายแล้วก็เผาไปเถิดส่วนคนจะเข้าไม่เข้ามันจะอยู่ที่ร่างกายของท่านหรอกส่วนใหญ่ก็ก็ล้างกันทั้งนั้นวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วถึงแม้จะมีร่างกายก็เขาไม่ได้เข้าไปดูร่างกายของท่านเขาเข้าไปเพื่อที่จะไปฟังเทศฟังธรรมไปรับคำสั่งคําสอน <c oughs> คำถามจากคุณริกกี้ กราบเรียนถามตามปกติเราจดจำและผูกพันกันเพราะสัญญาเมื่อมีบุคคลใดตายลงสัญญาความจำต่อบุคคลนั้นๆยังมีคล้ายเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่ทำให้เห็นว่าการเกิดการตายเป็นสมมุติคิดแบบนี้ถูกไหมครับไม่รู้คิดยังไงสมมุติแปลว่ายัางไงการเกิดการตายเป็นสมมติก็คิดว่าเกิดแล้วต้องตาย คิดว่าการที่มาเกิดเพราะกิเลสตัณหาถ้าไม่อยากจะมาเกิดมาตายก็หยุดกิเลสตัณหาต้องคิดแบบนี้แต่ไปคิดว่ามันเป็นสมมุติแล้วมันได้อะไรละสมมุติแล้วก็กลับมาเกิดมาตายอยู่เรื่อยๆมันคิดแล้วมันต้องการหยุดการเกิดการตายก็ต้องไปหยุดตัวเหตุที่ทำให้มาเกิดตัวเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือกิเลสตัณหา โดยที่จะฆ่ากิเลสตันหาก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นสมมุติแล้วทาํางแค่แค่นั้นแต่ก็ปล่อยวางเฉยๆก็กลับมาเกิดใหม่มันไม่มันไม่ได้หยุดการกลับมาเกิดด้วยการเห็นว่ามันเป็นสมมุตินี่ยคถามจากคุณชรินทิปกราบเรียนถามค่ะเราจะเจริญสติในแต่ละวันโดยการกําหนดรู้ทุกอริยบท ให้ทันใช่ไหมคะบางวันเผลอกําหนดดูไม่ทันแต่มาดูลมหายใจพุทโธแทนได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้มันอยู่กับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่คนจะอยู่กับการเคลื่อนไหวจะดีกว่ากําลังเดินอยู่ไปดูลมหายใจเดี๋ยวเตะอะไรก็มองไม่ก็มองไม่เห็นเดี๋ยวเดินไปเหยียบอะไรลื่นล้มได้ถ้ามัวแต่ไปดูลมหายใจยังต้องดูที่ส่วนที่กําลังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําเออ จะดูลมหายใจได้ก็ดูตอนที่นั่งเฉยๆนะถึงจะปลอดภัยร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่าไปดูลมให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการผิดพลาดได้ไปดูลมกำลังเดินไปเดินไปเตะนู่นเดินไปเหยียบนี่ขึ้นมาไม่รู้สึกตัวเพราะมัวแต่ดูลมอย่างั้นจะดูลมนี่คนรจะดูเฉพาะตอนที่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเช่นนั่งเฉยๆยืนเฉยๆอย่างงี้ รือนอนเฉยๆเนี่ยดูลมได้แต่ถ้าร่างกายมีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่นี่ต้องดูการเคลื่อนไหวคำถามจากคุณวันนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์โยมนั่งฝึกสมาธิโดยไม่ได้กำหนดขอโทษค่ะโดยไม่ได้กำหนดเวลาคือนั่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกอยากออกจากสมาธิเองตอนนั่งเปิดธรรมะไปด้วยเอาสติไปจดจ่อที่หูและดูลมไปด้วย เวลาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นๆโยมก็กลับมาดูที่ลมเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าคะมันต้องมีอยู่ที่เดียวดูที่เดียวอย่าไปดู่ลมแล้วก็ไปดูหูด้วยมันก็จะเป็นสองเวลานั่งต้องกานให้จิตเป็นหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งต้องอยู่อย่างอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่กับการฟังธรรมก็ฟังธรรมไปอย่างเดียวถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวปิดเสียงธรรมไปอย่าเอาหลายอย่างปนกันนแล้วมันจะวิ่งไปวิ่งมา คำถามจากคุณสายฝนเวลาเราปฏิบัติสมาธิเสร็จแล้วเราจำเป็นต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองไหมเจ้าคะแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่ยงไงสวนเนอะสวนแล้วมันแผ่ป่ะส่วนแล้วมันได้อะไรป่ะคำถามจากคุณกำพล กลับเรียนพระอาจารย์การทำบุญกับการทาบุญกับพระสงฆ์โดยการถวายเงินทำบุญนั้นกับการทำบุญโดยการโอนเงินทำบุญจะได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันอยู่ที่ปริมาณการเสียสละมากน้อยเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเหมือนกินข้าวกินข้าวน้อยก็อิ่มน้อยกินข้าวมากก็อิ่มมากคาถามจากคุณต้น อั น, นิสงส์การรักษาศีลห้าแค่ชั่วขณะทำให้เกิดบนสวรรค์ได้จริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลโจรปล้นฆ่ามาจำนวนมากวันหนึ่งถูกชาวบ้านหมู่ใหญ่รวบรวมกำลังต่อสู้เมื่อสู้ชาวบ้านไม่ได้จึงหนีเอาตัวรอดไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นกล่าวว่าพวกเธอจงถือศีลห้าให้บริบูรณ์จะปลอดภัยพวกโจรห้าร้อยก็สมาทานศีลห้า และรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดพวกชาวบ้านตามมาพบเข้าจึงจับโจรเหล่านั้นฆ่าตายอย่างง่ายดายเพราะพวกโจรไม่ต่อสู้โจรห้าร้อยตายไปเกิดเป็นเทวบุตรบนสวงสวรรค์ก็ไม่รู้ลหละศีลห้ามีไว้สำหรับกันไม่ให้ไปเกิดในอาบายแต่จะไปสวงสวรรค์นี่ต้องมีบุญสนับสนุนต้องเคยทำบุญทำทานมาด้วยถึงจะไปได้ ถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานเลยเพียงแต่รักษาศีหน้าอย่างเดียวนี้ไปได้ก็แค่เป็นมนุษย์เท่านั้นกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะไปเกิดบนสวรรค์นี้ต้องมีการทําบุญทําทานพร้อมกับการรักษาศีหน้าสองอย่างถ้ารักษาศีหน้าอย่างเดียวไม่ไปอบายไม่ไปเกิดในอบายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อจากคุณปล่อยวางอดีตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่จิตเรา ฝึกปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งแล้วเกิดติดนิวรขึ้นมาก็เกิดความท้อแท้สับสนแล้วในช่วงเวลานั้นเราฝันเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปแล้วและก็มาฝันเห็นลูกศิษย์ของท่านที่ยังอยู่เราก็ไปศึกษาประวัติของท่านก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันสิ่งนี้เกิดจากจิตปรุงแต่งหรือความบังเอิญหรือเพราะท่านเมตตามาชี้นาทางธรรมให้กับเราเจ้าคะ ไม่ต้องไปสนใจเกิด จ, จากอะไรดูได้ว่าเราได้รับประโยชน์จากสิ่ง น, นี้หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้มันไม่มีประโยชน์ก็ลืมมันไปจะไปรู้มันมาทางไหนไม่ไ ม, ม, ไม่มันไม่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราแล้วถ้าเราไม่รู้จะไปรู้ได้อย่างไรเราไปถามคนอื่นถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วเขาบอกเขาบอกผิดผิดถูกถูกแล้วเราก็หลงผิดไปอีกไม่จาเป็นจะต้องรู้ว่ามันมาอย่างไร ให้รู้ว่ามันเอามาทําประโยชน์ได้หรือเปล่าทําได้ก็เอามาทําเอามาเช่นดูแล้วมีกําลังใจสู้นิวรณ์ต่อไปปฏิบัติต่อไปได้ก็เอามาใช้อแต่ดูแล้วไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แล้วได้ก็เลื่มันไปไม่ต้องไปไปคิดว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวก็เสียเวลามานั่งคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยคําถามจากคุณพีโก เรียนถามพระอาจารย์ว่าทัาพีไม่รู้รสแกงหมายถึงฟังธรรมไม่เข้าใจหรือปฏิบัติไม่ก้าวหน้าครับอออยู่ในการฟังธรรมไงธรรมนี่เปิดมนรสเหมือ น, นแกงไงทัพีนี่เหมือนออผู้ฟังไงถ้าฟังแบบทัพีก็ฟังแบบใจลอยหรือฟังแบบทำอะไรไปคุยกันไปคุยกันออทำกับโค้งกับข้าวไปหรืออะไรไป หรือคิดถึงคนนั้นคิดถึงวันนี้ไปเสียงธรรมก็เข้ามาหูแล้วก็ออกไปเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าไปในใจเพราะไม่มีตัวดึงเข้าไปในใจตัวที่จะดึงเข้าไปในใจก็คือสติสติก็ต้องหยุดความคิดหยุดการกระทําต่างๆหยุดการพูดทํามันถึงจะเข้าไปในใจและเข้าไปในใจก็เรียกว่าเป็นลิ้นกับแกง เิ้นนี้พอไปตะกับแกงแม่เพียงหยดเดียวก็รู้เลยว่าเป็นแกงชนิดไหนแต่ทับพีนี้ต่อให้มันอยู่ในหม้ อ, อกแกงไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรฟังทำแบบใจลอยทำฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบก็เหมือนกับทับพีในหม้ อ, อกแกงคาถามจากคุณเป้าภาคินกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับตัดสินใจเลิกกับแฟนเพราะเขาไม่เข้าใจเมื่อเราต้องการปฏิบัติ และมีจุดมุ่งหมายที่พระนิพพานแล้วพยายามชวนให้มาเข้าใจธรรมะแต่ก็ไม่มาครับแล้วก็มีกิเลสมากจนทำให้เราเดือดร้อนใจเสมอจึงตัดใจอยู่คนเดียวเพื่อตั้งใจปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นกระผมทำถูกต้องไหมครับ อ, อ่ก็ดีแล้วถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องอยู่คนเดียวแต่ยังต้องการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่สองคน ค hmm. ำถามจากคุณบงกฎกราบเรียนถามทำไมต้องไปวัดและทำบุญกับพระดีกว่าทำบุญอย่างอื่นไหมก็เหมือนทำไมต้องไปโรงเรียนแต่มันไม่ไปช้อปปิ้งไม่ไปเที่ยวกันเพราะประโยชน์มันได้ต่างกันไปช้อปปิ้งไปเที่ยวมันก็ได้ความสนุกเดี๋ยวเดียวไปโรงเรียนก็ได้วิชาความรู้ที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินต่อไปไปวัดก็เหมือนไปโรงเรียนได้ธรรมะ คำถามจากคุณปลืม้มขอถามเรื่องอนันตะอนันตริยกรรมค่ะก่อนพ่อเสียเจ็บปวดมะเร็งมากหมอบอกว่าถ้าฉีดรู้สึกจะเป็นโมฟีนหัวใจจะเต้นช้าลงแต่พ่อก็ฉีดจัดเป็นกำหนักไหมคะถ้าเขาไม่ได้คิดข้าตัวตายเขาเก่งแต่ฉีดเพื่อระงับความปวดก็ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย คำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามนะคะ 1. การปลีกวิเวกจนจิตสามารถปฏิบัติได้ใจสงบพอกลับมาที่บ้านส่วนใหญ่ก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนอยู่วัดแต่อาจจะยังไม่ได้ตลอดวันยังจําเป็นไหมคะต้องกลับไปปลีกวิเวกเหมือนเมื่อก่อนอ๋อก็อยู่ที่ผลที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการความสงบที่ไหนมันให้ความสงบกับเราเราก็ไปที่นั่น ที่ไหนไม่ให้ความสงบเราก็ไม่เราก็ไม่ไปถ้าอยู่บ้านมันยังสงบเหมือนไปวัดก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ดูที่ผลคือความสงบข้อสองการปลีกวิเวกช่วยให้ใจมีกำลังก่อนที่จะใช้ปัญญาพิจารณาละสังโยชน์ไปเรื่อยๆจะบรรลุธรรมได้จจะจะบรรลุธรรมได้จำเป็นต้องปลีกวิเวกอย่างเดียวไหมคะ ไม่จําเป็นหรอกบางคนไม่ปีกวิเวกก็บรรู้ทำได้อยู่ที่กําลังของสติปัญญาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยคนที่มีมากบางทีเขาก็ไม่ต้องปีกวิเวกคนที่มีน้อยก็อาจจะต้องไปปีกวิเวกคาถามจากคุณจินขอบกราบพระอาจารย์ครับพระโสดาบันท่านต้องเจริญสติต่ออย่างไรบ้างครับ ออท่านต้องเจริญปัญญาสติท่านมีอยู่แล้วสมาธิมีอยู่แล้วแต่ท่านยังไม่มีปัญญาที่กำกาจัดการมาราคะท่านพระโสดาบันยังอยากมีแฟนอยู่ถ้ามีเมียก็ยังอยู่กับเมียต่อต้องพิจารณาร่างกายอันเน่าเปื่อยของแฟนของภรรยาร่างกายที่ไม่สวยไม่งามดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูอาการสามสิบสอง ดูตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของแฟนในร่างกายของของของคู่ที่คนที่เราอยากจะอยู่ด้วยมันก็จะเลิกอยู่กันปล่อยวางอยู่คนเดียวได้ <c oughs> ก็จะผ่านไปผ่านไปสู่ขันอาณาค้ามีได้คําถามจากคุณรงศักดิ์คะ่ะที่ที่พูดว่าเรื่องเกิดตายเป็นสมมุติคะ่ะ ถามกลับมาแล้วนะคะ เ, <อ>เมื่อกี้คือการพิจารณาดูความรับรู้ครับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เปลี่ยนไปหายไปไม่ตั้งอยู่อย่างนี้ครับเคยเห็นว่าวิญญาณมันไม่เที่ยงนี้เองแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถ้ามันรู้ว่าไม่เที่ยงก็อย่าไปยึดไปติดมันนไหวยมันไม่เที่ยงไปอย่าไปอยากให้มันเที่ยงปัญหาคือมันอยากจะให้มันเที่ยงเห็นอะไรที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไปนา น, น, าน เห็นอะไรที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปทันทีถ้าอย่างเงี้ยไม่ถูกถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเราควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไปนี่คือการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆคําถามสุดท้ายหมดแล้วเลือกอยู่คร่ะอ่าอ่ า, อา จะคุณสุรีค่ะพระโสดาบันท่านกลับมาเกิดแล้วจะต้องมามีครอบครัวไหมคะก็แล้วแต่ถ้าท่านไปเจอแฟนเก่าท่านยังรักยังชอบอยู่ท่านก็ยังมีได้ถ้าท่านยังเจอคนไหนที่ท่านรักท่านชอบท่านก็ยังมีได้แต่ท่านจะไม่ไปประพฤติผิดปรเวณีเราจะทําให้ถูกต้องประเวณีพระโสดาบันจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาด ถึงเมอจะรักกันขนาดไหนถ้าไปเป็นแฟนของคนอื่นแล้วก็จะไม่ไปไปยุ่งกับเขาเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฝังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน